ปัญหาข้อที่11การระลึกชาติยังมีปัญหาอีกประเด็นหนึ่งคือเอสเทโรเบสร์ไม่เพียงแต่รู้สึกถึงพลังอันชั่วร้ายนั้นเท่านั้นแต่สามารถรู้ถึงเหตุการณ์ในหนหลังจนกระทั่งบรรยายออกมาเป็นภาพได้หลายกับเป็นการระลึกชาติได้เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดี ก็จะทำให้เข้าใจถึงเรื่องการระลึกชาติว่าเป็นไปได้อย่างไรท่านได้อธิบายให้ฟังว่าเหตุการณ์ต่างๆโดยปกติย่อมจะถูกบันทึกไว้แายในจิตใจของคนที่ได้ประสบมาขอให้พิจารณาดูให้ละเอียดเราจะเห็นว่าเหตุการณ์นั้นๆได้ถูกบันทึกไว้ด้วยพลังของวิญญาณในทำนองเดียวกับเมื่อเราบันทึกเสียงด้วยเทป หรือบันทึกภาพด้วยเทปนั้นย่อมหมายถึงอนูของแม่เหล็กซึ่งมีอยู่ในเทปได้เปลี่ยนรูปไปตามคลื่นเสียงหรือคลื่นแสงซึ่งถ้าจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือทั้งเสียงและแสงได้บันทึกไว้ด้วยอำนาจของแม่เหล็กในทํานองเดียวกันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาย่อมจะถูกบันทึกไว้ด้วยพลังของวิญญาณที่มีอยู่ในบรรยากาศ ถ้าคนไหนสามารถที่จะรับคลื่นที่บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้ก็จะทำให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาและถ้าคนไหนอำนาจในการรับของตัวเองมีน้อยก็จะรู้สึกขึ้นมาแต่เพียงสังหรณ์ใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าคนไหนอำนาจในการรับมีมากก็จะทำให้รู้ถึงเหตุการณ์ในทำนองเดียวกับเรานึกได้ถึงเหตุการณ์ที่เคยรู้เห็นอะไรมา แต่อาจจะเห็นภาพในใจไม่ชัดหรือบางคนก็อาจจะไม่เห็นภาพอะไรเลยเพียงแต่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับคนที่มีอำนาจในการรับสูงมากก็จะเห็นเป็นภาพออกมาเลยคำว่าอำนาจในการรับในที่นี้หมายถึงกำลังสมาธิว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้ามีมาก อำนาจในการรับก็มีมากถ้ามีน้อยอำนาจในการรับก็มีน้อยถ้าท่านศึกษาหลักวิชาดังที่กล่าวมานี้เข้าใจดีแล้วก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าเอตดไรเอสเทโลเบิร์สจึงรู้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาและได้เห็นภาพของเหตุการณ์นั้นด้วยและไม่ใช่เพียงแต่เอสเทโลเบิร์สเท่านั้นที่รู้สึกถึงพลังอันชั่วร้ายนั้น คนอื่นเช่นช่างไม้ที่มาซ่อมเตียงก็ยังรู้สึกสังหอนว่าเตียงนี้คงจะมีการเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับซ่อมแต่ก็รู้สึกแต่เพียงสังหอนใจไม่เหมือนกับเอสเทลโลเบิร์ตซึ่งสามารถรู้ถึงเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดทั้งนี้ก็เพราะอำนาจในการรับมีไม่เหมือนกันอหนึ่ง จากทฤษฎีที่ท่านได้อธิบายมาให้ฟังนี้ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติชัดเจนขึ้นการที่พระพุทธเจ้าสามารถระลึกชาติได้พระอระหันต์องค์อื่นๆตลอดถึงพวกฤาษีหรโยคีหรือใครก็ตามที่มีสมาธิดีสามารถระลึกชาติได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้บางคนไม่ยอมเชื่อว่าเป็นไปได้นั้น ความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนการระลึกชาติในแบบที่ง่ายและจำกัดที่สุดก็คือทุกคนสามารถจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วได้ซึ่งบางคนก็จำได้มากจำได้อย่างละเอียดแต่บางคนก็จำได้เพียงเล็กน้อยและจำได้ไม่นานขอให้พิจารนาว่าทำไมคนเราจึงสามารถระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วได้ ข้าพเจ้าเด้กเล่ามาแล้วว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เราเคยผ่านมายอมบันทึกไว้ในจิตใจคำว่าบันทึกไว้ในจิตใจหมายถึงเหตุการณ์ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงทำให้พลังของวิญญาณที่มีอยู่ภายในเปลี่ยนรูปไปจากเดิมเพราะเหตุที่จิตใจกับสมองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหรือพูดอีกในย่าหนึ่งโครงสร้างของเซลล์สมองก็คือปรากฏการของวิญญาณในวัตถุ เพราะฉะนั้นเมื่อโครงสร้างของวิญญาณเปลี่ยนรูปโครงสร้างของเซลล์สมองก็ต้องเปลี่ยนรูปตามไปด้วยและการเปลี่ยนรูปของวิญญาณจะมีความมั่นคงหรือทนต่อ ก, การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายหลังได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสมองคนที่มีสมองดีอะไรที่บันทึกไว้ภายในจิตใจแล้วก็จะมีความมั่นคง คือมีความต้านทานต่อ ก, การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายหลังได้ดีผลก็คือคนคนนั้นมีความจำดีแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่จะเกิดมามีสมองดีหรือไม่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับวิบากที่มีมาตั้งแต่ชาติก่อนการรื้อฟื้นความจำหรือการระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกคนทำได้ ขอให้สังเกตว่าในขณะที่เราต้องการจะนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาพอเราตั้งใจจะนึกถึงอะไรเหตุการณ์นั้นๆก็ปรากฏขึ้นมาและถ้าหาจิตใจเราสงบมีสมาธิดีก็จะนึกออกมาได้ดีแต่สมองต้องดีและเป็นปกติด้วยจึงจะนึกออกได้ดีความตั้งใจที่จะนึกหรือรือ้อฟื้นเหตุการณ์ในคนหลังขึ้นมา นี่คือตัวจักสำคัญที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ในหนหลังแต่ก็อย่าลืมนึกถึงปัจจัยอื่นๆเช่นต้องมีสมาธิดีสมองดีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการระลึกชาติที่เรามีกันอยู่เป็นปกติส่วนในกรณีของผู้ที่ได้ฌานซึ่งสามารถที่จะระลึกชาติของคนอื่นได้ด้วยนั้นก็เพราะเหตุการณ์ต่างๆที่คนนั้นได้ผ่านมาได้บันทึกอยู่ในจิตใจของเขา หรือจะพูดว่าบันทึกอยู่ในสมองของเขาก็มีความหมายอย่างเดียวกันขอให้นึกถึงตัวอย่างของคนที่ได้รับการสังหอนจากสถานที่หรือจากวัตถุอะไรก็ตามเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ก็เพราะวัตถุนั้นนั้นหรือบรรยากาศในที่นั้นได้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้คนที่มีอำนาจในการรับจึงสามารถรู้สึกได้ หรือรู้ขึ้นมาได้ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีท่านก็จะเห็นว่าถ้าคนไหนสามารถระลึกชาติของตัวเองได้คนนั้นก็สามารถที่จะระลึกชาติของผู้อื่นได้โดยไม่ยากสมองของคนเราอาจจะเทียบได้กับวัตถุเครื่องรางหรือวัตถุที่เป็นสื่อในการรับพลังจิตและควรจะพิจารณาให้ละเอียดว่า สมองเป็นวัตถุที่เป็นสื่อรับพลังจิตได้ดียิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะอนูในเซลล์สมองก็เหมือนกับอนูของแม่เหล็กในเทปซึ่งสามารถที่จะปรับตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงไปตามคลื่นของกระแสจิตได้ทันทีและในเมื่อโครงสร้างของเซลล์สมองเปลี่ยนไปในรูปไหนนั่นย่อมหมายถึงเหตุการณ์ที่จิตได้รับรู้มาได้ถูกบันทึกไว้ในรูปนั้น ข้อเท็จจริงอันนี้พยายามพิจารณาให้ละเอียดส่วนวัตถุอย่างอื่นถึงแม่อนูของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามคลื่นของกระแสจิตที่เกิดจากการปลุกเสกหรือเกิดจากความรู้สึกอันรุนแรงของใครก็ตามถึงแม้มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่อำนาจต้านทานที่มีอยู่ในวัตถุนั้นย่อมจะต้องมีอยู่เสมอคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดไม่ได้ แต่ในเมื่อรับไว้ได้แล้วก็เสื่อมสลายได้ยากไม่เหมือนกับสมองซึ่งรับไว้ได้ง่ายแต่ก็เสื่อมสลายได้ง่ายเพราะอนูในเซลล์สมองเปลี่ยนตามกระแสจิตได้ง่ายนี่คือความแตกต่างระหว่างเซลล์สมองกับวัตถุที่เป็นสื่อในการรับกระแสวิญญาณข้าพเจ้าคิดว่าท่านักวิทยาศาสตร์ พยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างและสารประกอบของสมองอย่างละเอียดจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องเหล่านี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะประดิษฐ์เครื่องมือสำหรับรับกระแสจิตจากคนอื่นหรือจากโอกปปาติกะได้ง่ายขึ้นและต่อไปก็อาจจะรู้จักวิธีที่จะทาการเปลี่ยนแปลงอานาจของจิตที่มีอยู่ในเครื่องประดิษฐ์นั้น ให้ปรากฏออกมาเป็นรูปหรือเป็นเสียงได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่ได้เคยเกิดมาอันนี้เป็นแต่เพียงความหวังของข้าพเจ้าว่าสักวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์คงจะสร้างเครื่องมืออันนี้ได้และเมื่อใดสร้างเครื่องมืออันนี้ได้แล้วความเรยนลับต่างๆของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาโดยง่ายและเมื่อมนุษย์ทั้งหลายรู้ถึงความเร้นลับของชีวิตเป็นอย่างดีแล้วก็คงจะรู้สึกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำก็คือการสร้างจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆความคลัง่งไคล้หลงไหลที่มุ่งแต่จะแข่งขันกันสแสวงหาวัตถุอย่างที่มีอยู่ในเวลานี้เมื่อถึงสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็คงจะเห็นเป็นเรื่องไร้าสาระและแล้วก็จะหันมาสนใจในเรื่องการสร้างจิตใจมากขึ้น อนหนึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องการระลึกชาติได้ข้าพเจ้าก็ใคร่ที่จะเน้นให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงประเด็นที่สำคัญอีกสักครั้งหนึ่งกล่าวคือกู้ที่จะระลึกชาติได้ดีในชีวิตประจาวันก็คือคนที่มีความจำดีซึ่งสามารถระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ดีนั้นมีหลักสาคัญอยู่สองประการคือหนึ่งในด้านจิตใจ จะต้องเป็นคนที่ไม่มีความกดดันในทางอารมณ์หรือมีแต่น้อยจะต้องไม่มีอารมณ์ค้างไม่เป็นคนมีนิสัยชอบฝันหรือสร้างวิมานในอากาศและเป็นคนขยันท่องเมื่อจะจำเรื่องราวอะไรก็พยายามจำให้แม่นคนที่มีนิสัยอย่างนี้ถ้าหากเป็นมาตั้งแต่เกิดก็เป็นอันวังได้แน่นอนอย่างหนึ่งว่าจะต้องเป็นคนที่มีความจำดี แต่ถ้าหากนิสัยอันนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดเพิ่งมาหัดในภายหลังก็จะทำให้มีความจําดีขึ้นเหมือนกันแต่ก็จะไม่ดีเท่ากับคนที่ไม่มีนิสัยกดดันมาตั้งแต่เกิดซึ่งหมายความว่านิสัยอันนี้ได้มีมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนอันหนึง่งสำหรับคนที่ไม่มีความกดดันนี้ถ้าหากได้มีโอกาสฝึกสมาธิให้ดีแล้ว ก็จะกลายเป็นคนที่มีความจำดีขึ้นเป็นพิเศษทีเดียวและจะฝึกสมาธิได้ง่ายด้วยข้อที่สองในด้านสมองก็ต้องดีด้วยแต่โดยธรรมดาคนที่มีวิบากมมาดีสมองก็ย่อมจะต้องดีมาตั้งแต่เกิดแต่อย่างไรก็ตามสมองของคนเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเหตุหลายอย่าง เช่นถ้าเกิดในตระกูลที่พ่อแม่เป็นคนมีสมองดีลูกก็ต้องดีด้วยและในเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นได้รับอาหารดีได้ยาบำรุงที่ดีรวมทั้งมีการพักผ่อนในทางสมองอย่างเพียงพอสุขภาพในทางร่างกายโดยทั่วไปก็ดีไม่มีสิ่งที่เป็นพิษต่อสมองถ้าหากคนไหนมีลักษณะดังที่ว่านี้ก็แปลว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสมองก็จะดีด้วย ถ้าสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาไม่ดีหรือกรรมพันธุ์ไม่ดีสมองก็จะไม่ดีด้วยคนที่สามารถระลึกชาติได้ซึ่งหมายถึงการระลึกชาติได้ในชาตินี้คือระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วได้ดีจะต้องมีคุณสมบัติตั้งในด้านจิตใจและสมองดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันนี้เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปของคนที่ระลึกชาติได แต่สำหรับคนที่สามารถจะระลึกถึงชาติก่อนได้นั้นนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติดีทั้งสองอย่างเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วเขาจะต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นอีกอย่างคือจะต้องได้ฌานขั้นสูงด้วยจึงจะสามารถระลึกชาติก่อนได้คนที่จะระลึกชาติได้หรือไม่ได้จะระลึกได้มากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรปัจจัยสาคัญอยู่ที่สมาธิซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้ที่ต้องการจะทราบต้องศึกษาจากหนังสือเล่มอื่นเช่นหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงซึ่งในที่นี้จะทำเป็นเสียงอ่านเปแล้วนะครับแต่ทางที่ดีต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะในที่นี้ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์จะอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดเพรา ะ, าะทัจธรรมก็ต้องเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งจะต้องใช้หน้ากระดาษมากมาย